เราพูดถึงในเรื่องของอายตนะคือจักขาอายตนะโสตาอายตนะคานาอายตนะชิวหาอายตนะกายาอาตนะมนายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเ น, นี่เป็นกลุ่มของธรรมะในตามคําสอนเนี่ยปัสสาะจึงเป็นแหล่งความรู้ความรู้ทั้งหมดมันก็ไปประชุมรวมกันเนาะอาศัยตาและรูปเกิดจากขรรยายเนี่ยการประจวบกันการประชุมกันของธรรมสามประการก็เป็นปัสสาะ ภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นต้นทางทวารหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เนาะนี่ให้เข้าใจก่อนฉะนั้นเมื่อเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะได้ทําความเข้าใจในเรื่องของคําว่า เ, ออเราศึกษา2 ส, ส่วนในส่วนของปัญจทวารหรือเบญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเนี่ยนะเรืกายมีความรู้ขั้นต้นหลายอย่างความรู้รูปก็คือสีรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสแล้วก็รู้ผลทภัพบะ สิ่งที่ต้องกายสรุปลงไปในปัทวีไอสิ่งที่มาต้องกายได้ก็มีอะไรนะปัทวีเนี่ ย, ยความแข็งใช่ไหมเตโชก็ร้อนวาโยก็ตึงแล้วไหวเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นโพธพาลมที่มากระทบกายใช่ไหมสีทางทวารตาจะไม่กระทบกระสีใช่ไหมประชุมกันหรือประจวบ ก, กันกระสีได้เนี่ย จากครูประสาทใสที่สามารถรับสีได้โซตตาประสาทความใสก็สามารถรับเสียงได้คานาประสาทความใสสามารถรับกลิ่นได้เชี่ยวหายประสาทความใสที่สามารถรับรสได้ใช่มตาหูจมูกเล่นกายตาหูจมกูกเิ้นนี่ยสี่แล้วกายนี่ดิกายนี่จะรับอะไรได้บ้างปัทวีโพธพามลมรับความแข็งความอ่อนที่มากระทบใช่ไหมแล้วก็เตโชโพธพามลมรับความเย็นความร้อนที่มากระทบกายได้ใช่ไหม วายโยโพฏพารมรับอะไรวายโยรับอะไรไหวตึงใช่ไหมเนี่ยก็สามารถที่มารับได้ความสั่นไหวความเคลื่อนและเคร่งตึงทั้งหลายเลยเนี้ยสรุปแล้วในทางกายไน้รับรับได้กี่ธาตุเออปฐวีธาตุคือแข็งอ่อนแต่โชธาตุคือเย็นร้อนวายโยธาตุคือเคร่งตึงไหวสั่นไหวที่มาถูกต้องทางกายเสรนอาปโปเนี่ย ไหลหรือเกาะกลมเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนั้นเป็นธรรมารมเนาะเนี่ยเข้าใจตรงนี้ยังอันนี้ในลักษณะงี้คือความรู้ที่ได้ทางปัญญจทวารทีนี้ความรู้ที่ได้ทางมโนทวารคืออะใจเนี่ยใจก็ได้แก่ธรมรมารมเมืเรียกสั้นๆว่าธรรมะก็คือสิ่งทั้งหลายที่ใจรู้ใจคิดธรรมารมหรือธรรมะนี่ว่าตามแนวพระวิธรรมก็แยกกันเลยแยกชัดเลยตีงนี้เวทนาขันเนี่ย หมายถึงในฐานะเป็นสิ่งที่ถูกรู้กรณีเปกุบใจที่เข้าไปรู้สุขเอ่ยทุกข์เอ่ยเฉยๆเอ่ยเนี่ยไอเวทน า, าก็เลยเป็นธรรมอารมณ์อยู่ไมทางใจไปรู้สัญญาเอาความจําได้หมายรู้ทั้งหลายก็ต้องใช้ใจเนี่ยเข้าไปรู้สังขารความที่จิตเป็นบุญเป็นบาปดีใจเสียใจทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องใจเนี่ยนอกนั้นก็เป็นอนิทัศนะอปติค้ารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบถูกต้องไม่ได้ อันนับเนื่องในธรรมายตนาหรือธรรมารมณ์ก็คือสุขุมารูปก็คืออาโปอาโปนี่คือสภาวะที่ดึงดูดซึมทราบเนี่ยอิถีภาวะบอกว่ารูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงเนี่ยอันนี้รับไม่ได้เห็นก็ไม่ได้แต่รู้ได้ทางใจปุริสภาวะรูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นชายเนี่ยเห็นก็ไม่ได้ได้ยินเสียงก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องไปรู้ได้โดยทางธรรมารมณ์ทางใจหัตยะ อันนี้เป็นโอ้โห น, น, oh, น, นี้เล็กมากหัตถยาเนี่ยรูปที่เป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดแห่งใจเนี่ยชีวิตตินทรีย์รูปที่รักษากรรมชรลูปอาหารโะลูก็หมายถึงโอชานีอากาศก็คือช่องว่างวิญญาการยวิญญัติก็คือการเคลื่อนไหวกายว่าจีวิญญาตการเคลื่อนไหวทางวาจาเนี่ยนะวิการละลูปสามระหูตาความเบามุติตาความอ่อนนุ่มกรรมยตาความควรแก่งงานลักษณะรูปสี่ก็อุปัจยะความก่อตัว การเติบโตขึ้นสันตติความสืบต่อชรตาความสุดโสมนิจตาความแปรสลายไปเนี่ยกรณีอย่างนี้กลุ่มรูปเหล่านี้เป็นธรรมารมณ์หมดเลยนะรู้ได้โดยใจไม่สามารถรู้ด้วยตาหูจมูกเล่นกายได้แล้วก็อสังขต ธ, ธาตุก็กล่าวคือพันิพ า, านโดยสรุปเนี่ยภาษาทารุ5จากขปภาษาโสตประศาสน า, า, า, าประศาสิวหาภาะศาสายะประศาส์อันนี้เป็นธรรมารมสุขมารูปสิบกที่ได้กล่าวไปจิต แกจะเสกมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยแล้วก็นิพพานสภาวะที่ดับวัฏโทกข์อันนี้เป็นธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์อีกอย่างหนึ่งที่เห็นเป็นต้นกําม่ได้อันนี้เกี่ยวในเรื่องของบัญญัติใช่ไหมคำที่เรียกขนันเช่นเรียกว่าพื้นดินภูเขารถคนทิศเหนือทิศใต้หลุมบอ่อเกาะแหลมปตเปตั้งต่อะไรเนี่ยนะนั้นบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้ทั้งที่เป็น บรรยัติต่างๆเหล่านี้ทำบัญญัติต่างๆนี้ไม่มีอยู่จริงนะไม่เป็นปัจจุบันอดีตและอนาคตเป็นกาลาวิมุติคือไม่ขึ้นต่อการและไม่พินาศเช่นช่องว่างที่ลึกลงไปในแผ่นดินเราเรียกว่าหลุมช่องว่างช่องว่างเช่นนั้นมีที่ไหนเมื่อใดก็เรียกว่าหลุมคงที่เสมอไปแต่หลุมต่างหากหลุมหลุมหน้าต่างต่างหากจากช่องแผ่นดินหามีไหมนั้นหลุมทุกๆหลุมเนี่ย ย่อมตื้นเขินย่อมพังย่อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วกลายเป็นอื่นได้เนี่ยเช่นอย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าสัญญาย่อมเกิดดับเสื่อมสลายแต่บัญญัติหรือสัญญามันไม่ได้เสื่อมนนในกรณีอย่างนี้ก็จะให้เข้าใจว่าไอ้บัญญัติทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติกันขึ้นมาการเวลามันเสื่อมไหมสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ มันอาศัยสิ่งของเยอะถ้ายกตัวอย่างนี้นะในถ้ามองเนี้ยไอเ น, นี้ยไอตัว น, นี้มันดินน้ําไปลมอันนี้มันเสื่อมได้เป็นสภาวธรรมแต่บัญญัติว่าไอ้น้ํามันเขียวเนี้ยมันไม่มีอยู่จริงเป็นบัญญัติขึ้นมาให้เข้าใจตรงนั้นแหละนั้นความรู้และความเข้าใจในลักษณะอย่างเนี้ยจะได้มีความเข้าใจกันให้ชัดขึ้นนะชัดขึ้น อารมณ์เฉพาะของใจเช่นความรากักความโกรธความขุนมัวผ่องใสดีใจเสียใจซึมเศร้าหงอยเหงาว่าเวเบิดบานก่าหานหวัว่นไห ว, ว, ว, วเป็นต้นนี่อารมณ์ของใจเนอะอารมณ์ของใจเป็นอย่างนั้นไหมปกติเนี่ยจิตมันเศร้าจิตมันหงอยเหงาจิตมัน ว, าว่าเวจิตมันขุนมัวจิตมันดีใจเสียใจเนี่ยมันมีอะไรมาปรุงเออมีกลุ่มใจดสิกธรรมทั้งหลายลเรานี้มาปรุงเนอะอารมณ์เกี่นอดีต ที่รับรู้ด้วยอาญานะ5อย่างแรกเรียกง่ายว่าอารมณ์อดีตของปัญจทวารอารมณ์ที่เนื่องอยู่กับรูปธรรมนะที่เกี่ยวปัญจทวารส่วนบัญญัติเนี่ยดังปัญจทวารไม่สามารถจะไปรู้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เจาะเข้าไปในรายละเอียดแต่ทําให้ให้เกิดความเข้าใจเนาะเอาละแตนี้จะไปอธิบายอีกอย่างถ้าไปเจอในพระสูตรจะมีความรู้รับรู้สี่ประเภท เราจะมีคําว่าทิฏฐะสุตตามุตตาวิญญาตาทิฏฐาตัวนี้สิ่งที่เห็นได้แก่รูปอารมณ์ทั้งหลายหรือความรู้รู้ได้โดยการดูโดยการเห็นสุตตาได้แก่ได้ยินนะเสียงความรู้ที่ได้ด้วยการสดับตรับฟังมุตตานีสามทวารเลยนะืได้แก่กลิ่นรสแล้วก็ผดผ้าสิ่งที่รับรู้ทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายวิญญาตะนี่เป็นธรรมอารมณ์ที่รู้ด้วยใจบางทีเราจะเจอพระสูตรอย่างเนี้ย ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจาก6เป็นสก็คือทางทิฏฐากสิ่งที่เห็นได้ก็คือทางจักรุทวารมุตตะก็เห็นได้ทางโสตทวานสุตานี่นะส่วนมุตตานี่สมเลยนะคือสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วทางทวานจะโหมทวานลิ้นทวารกายส่วนวิญญาตะนี่เป็นทวานใจสรุปแล้วก็คือเรียก6ก็คือจักรุทวานโสตทวานคณะทวานจิ๋วทวานกายทวารมโนทวานถ้าสี่ก็คือย่อมุตตาก็เลยคุมไว้สเข้าใจนะ คงไว้3หลักการมีแค่นี้เอง 3. อย่างแรกคือทิฏฐาสุตตาและมุตตาเนะี่เป็นความรู้ทางปัญจทวารท่านแยกออกไปสามหมวดเพราะการเห็นการได้ยินเป็นแหล่งความรู้ที่สําคัญมีขอบเขตกว้างขวางมากยิงแยกเป็นแต่ละอย่างส่วนความรู้อีกทางสามได้แก่ทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายมีลักษณะรวมกันคือเป็นความรู้ทางทวารซึ่งรับอารมณ์ที่มาถึงตัวแล้วเช่นกลิ่นต้องมาถึงจมูก พราะต้องมาถึงเลนผลิตภาต้องมาถึงกายต้องมาถูกต้องที่อาญตนะจึงจะรู้ได้เนี่ยนะต่างจากตาหูซึ่งรับอารมณ์ที่ไม่มาแต่ต้องถึงอาญตนะรูปก็อาศัยแสงเสียงก็ใส่ขึ้นเป็นสื่อเชื่อมต่อยิงไม่ยิงถามว่าเวลาเราจะเห็นรูปเนี่ยต้องให้รูปนั้นมาวิ่งมากระทบตาไหมจะเห็นสีอ่ะวิ่ต้องที่ไหนแล้วนั่นท่านมองเป็นนาฬิกานาฬิกาวิ่งมากระทบตาท่านเลย อาศัยอะไรอาศัยแสงสว่างอาศัยมนสิการใช่ไหมอาศัยมีจกักขปรคสป萨อาศัยมีตาเห็นมันถึงหาเห็นได้มันไม่ต้องเอารูกมาวิ่งชนตาหรอกเสียงอ่ะต้องให้เสียงนั้นวิ่งมาชนหูไหมเออนอกมันร้องอยู่ไกลๆนู่นนะแต่กลิ่นละ่ะต้องมากระทบที่จมูกไว้ถึงจะได้กลิน่นกระทบหรือไม่กระทบกระทบต้องมากระทบถึง ไอร้อนเนี่ยต้องมากระทบที่ลิ้นไหมเออไม่ใช่อยู่ข้างนอกแล้วมันรู้ได้ที่ไหนมันต้องวิ่งมากระทบที่ลิ้นไอเย็นร้อนทั้งหลายต้องมากระทบต้องกายไหมเออเนี่ยตรงนี้ต้องทําความเข้าใจให้ชัดนะเดี๋ยวมึนเดี๋ยวจะมึนกับมันทางทวารตาทวารหูเนี่ยนะไม่ต้องไปดูประกอบก็ได้แต่จะไม่เข้าใจเทั้งทวารตาทวารหูเนี่ยไม่ต้องอาศัยมากระทบถึงเพราะว่าทวารตาสายแสง ทวารหูเนี่ยมันมีคลื่นเสียงมันก็สามารถได้ยินได้แต่ถ้ามากระทบใกลๆ้ๆเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ทั้งทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายเนี่ยมันจะต้องอาศัยมาไปชมมากระทบมันจะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้ที่ชี้เห็นว่าทําไมเขาทิฏฐะสุตตะเนี่ยจึงแยกออกต่างหากส่วนมุตตะทําไมรวมเพราะว่าทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายเนี่ยมันจําเพาะที่จะต้องอารมณ์นั้นเข้ามาถึง เช่นกลิ่นต้องวิ่งต้องต้องมาถึงที่คานาภาษาทจริงๆ ร, รถเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยต้องมาแตะที่ลิ้นจริงๆนะชิวหาภาษาจริงๆถึงจะรู้เอางั้นน่ะท่านลองแลบลิ้นออกมาอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะได้ได้ได้ไดไดรสชาติอะไรรู้ไหมรู้ไม่รู้แต่ทางทวาตาเห็นได้ไหมเนี่ยเออนเนี่ยมันล้มเพลงหรือเสียงมันดังมามก็สามารถที่จะรู้ได้ เข้าใจยังายากจังเลยการเข้าความเข้าใจเนี่ยนไม่ยากง้ทีนี้ความหมายอย่างเคร่งครัดก็คือความรู้ทางปัญจทวารมีขอบเขตแคบมากทีนี้ท่านมุ่งหมายเอาความกวาม้วางๆหลวงคือทิศถากหมายถึงสิ่งที่เห็นความรู้ที่เห็นดยสายตาการดูการเห็นทั้งหมด แม้ที่ใจก็ได้แปลความหมายออกไปแต่ยังเป็นความหมายโดยตรงขั้นต้นยังมีการบุแต่งเสริมสุตตาก็หมายถึงที่ได้ยินอันนี้ทางการฟั ง, างการกันทางฟังมุตตาเนี่ยอันนี้จมูกลิ้นกายไปเลยนั้นทิฏฐาสุตตามุตตาเนี่ยเกิดจากกินความกว้างออกไปได้เพียงแค่ปัญญาทวาริกาสัญญาคือสัญญาที่เป็นไปทาง ปัญจทวาร น, นอกจากนั้นก็เป็นวิญญาตความรู้ที่ต้องอาศัยมโนทวารทีนี้ต่อไปกับพิจารณาแ ง, งการพัฒนาการความรู้ในขอบเขตที่จะต้องเกี่ยวข้องก็คือความรู้ประเภทที่เป็นเวพาเวตปธรรมรู้ไหมพภเวทาปธรรมแปลว่าอะไรทำที่ควรเจริญทำที่ควรทําให้เกิดให้มีขึ้นส่วนความรู้ประเภทปริญญาธรรมก็คือทำที่ควรกําหนดรู้คือต้องรู้จักเนี่ย ก็เป็นอันไม่ต้องกล่าวถึงท่านความรู้ที่วิญญาณจึงไม่จัดเข้าในหัวข้อนี้ความรู้ในขอบเขตของการฝึกอบรมท่านจะแยกเป็น3ประเภทเนีการพัฒนาการแก่กล้าและผลที่แสดงว่าสัญญาเนี่ยตรงนี้ก็คือการกําหนดได้หมายรู้อาทำไมเขาถึงบอกว่าการกาหนดได้หมายรู้ได้แก่อะไรความรู้ที่เกิดจากการกําหนดหมายหรือจําได้หมายรู้อันนั้นก็บันทึก เป็นแบบสำหรับเทียบเคียงเป็นวัตถุดิบของการรู้และการติดต่อแบ่งเป็นสองกลุ่มเนาะสรุปแล้วก็คือตัวสัญญาขันมีสองระดับตางที่ได้กล่าวไอ้ตัวสัญญานี่ก็แปลว่าความจำใช่ไมไอ้แปลว่าความจำจาในรูปจาในเสียงจำในกลิ่นจาในรสจาในผลิภัพแล้วก็จำในธรรมอารมณ์ ไม่ว่าจะไปจําวัตถุสิ่งของคนจัดอดีตอนาคตทั้งหลายเหล่านี้สัญญานี่เป็นขันขั น, ขนหนึ่งมีทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกจากละเอียดเรวประณีใกล้ๆสัญญาขันเป็นปรินเล ย, ยธรรมเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้นะถ้าพูดในแง่ธรรมดาก่อนแต่ถ้าพูดถึงในส่วนของที่เป็นกิเลสนี่เป็นปัญหาธรรมประธรรมกิเลสสัญญาถ้าเป็นพวก กุศลสัญญาทั้งหลายกับกลายเป็นภาวิตประธรรมเงี้ยนะเคยได้กล่าวไปแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงในด้านของความรู้ที่กําหนดหมายเนี่ยที่บอกเป็น2ชุดเนี่ยเมื่อว่าโดยคุณภาพในกระบวนการแห่งพัฒนาความรู้จะเห็นว่าสัญญาที่เกิดตามปกติในกระบวนการการรับรู้ก็คือสัญญาขั้นต้นสัญญา ที่หมายรู้ตามความรู้ความเข้าใจที่เจริญเพิ่มพูนขึ้นในการฝึกอบรมปัญญาก็ดีแม้แต่อาจจะแตกต่างไปเป็นความรู้หลายระดับตั้งแต่รู้คุ้มเครือถึงรู้ชัดเจนตั้งแต่รู้บางแง่แล้วก็จนถึงสมบูรณ์เนี่ยนะตั้งแต่รู้ผิดพลาดแล้วก็รู้ถูกต้องก็เป็นการรู้และไม่รู้เท่าเท่านั้นนะจึงนับว่าเป็นเรื่องของความรู้และการพัฒนาความรู้โดยตรงส่วนสัญญาเนี่ยปปัญจะสัญญาเนี่ยหรือกิเลสสัญญาเนี่ยแปลว่าไงเนี่ย ตัวนี้แปลว่าไอปะปันนจะทมแปลว่าทำที่ทำให้เนิ่นช้าก็ได้แต่ในที่นี้ท่านไปแปลว่าความเฟือก็คือเป็นตัวปั่นนั่นเองเป็นเครื่องกีดกั้นเป็นตัวปิดบังบิดเบือนทำให้มันเหหันเหนออกไปจากความรู้นั้นสัญญาประเภทนี้มันเป็นปัญหาเป็นกิเลสสัญญาไปเออตอนนี้พระพุดถึงนี่เรื่องทิฏฐิ ความเห็นความเข้าใจโดยในเหตุผลทิฏฐิในนี้แปลว่าความเห็นก่อนให้ความจริงในด้านความคิดหรือความรู้ที่ผสมปรุงแต่งจับถือด้วยความคิดก็ได้แก่ความรู้ที่ลงข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในทางใดทางหนึ่งและประกอบด้วยความยึดถือโดยความผูกพันกับตัวตนอันนี้เข้ามาอัดแน่นแล้ว เป็นความรู้ที่มาจากแหล่งภายนอกแต่ได้คิดกรั่นกลองยอมรับยอมรับเอาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สรุปสรุปมาเป็นความรู้ของตนเองเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มีเหตุผลมากเหตุผลน้อยหรือไม่มีเหตุผลเนี่ยตัว อ, อย่างเช่นพอคิดไปคิดมาพอไปฟังในเรื่องของว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันมีอย่างหนึ่งที่มันเที่ยงแท้แน่นอน แล้วก็มาคิดสราระตะคิดไปคิดมากับกลายเป็นความเห็นก็กลายเป็นศาสถาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเข้าใจามีอัตราที่มั่นคงคงที่ยืนยงถาวรตลอดไปใช่ไหมบางทีไปเข้าใจว่าในกระแสชีวิตเนี่ยมันมีตัวอัตราอยู่นะไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงนะแต่มันจะมีตัวสุขทุกข์มันจะมีดินน้ำไปลมสุขทุกข์และตัวชีวะเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนที่มันจะล่องลอยหาที่เกิดเนี่ยนะ ไอ้ตัวนี้เป็นอัตราที่มันแฝงอยู่ในขันห้าอีกทีหนึง่งขันห้ามันแตกดับได้จริงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้จริงแต่ว่าไอ้ตัวอัตราไอ้ตัวสภาวะเจอย่างคือดินน้ำไฟลมสุขทุกข์และชีวะเนี่ยไอ้นี้ตัวสัตตะเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนมันไม่มันไม่ตายมันลอยจากอีกร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเออไอ้อย่างเงี้ยไอ้ความเห็นในลักษณะอย่างนี้มันเป็นความเห็นที่มัน ตกผลึกกลายเป็นสัสตตตถิทิเห็นว่าเที่ยงเข้าใจว่าอัตตาคงทียังยืนหรืออุเฉททิทิเห็นว่าค่าศูนย์ไออุเฉทถิ ท, ทิมัน ก, ก็เห็นว่าเออเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกกระแสะชีวิตเนี่ยพอมันดับมันก็หมดเหมือนท่อนไม้เหมือนท่อนฟืนนี่แหละว่างั้นด้มันไม่มีอะไรจะออกไปไปสืบต่อต่อเนื่องใดๆหรอกนี่ก็ผลึกลงไปกลายเป็นหวเหมือนเห็นว่าศาสตร์ถูกขาศูนย์ไปเลยอีกคว า, ามเห็นหนึงก็เป็นอหตุกขาทิฐิ สิ่งทั้งหลายเป็นไปโดยไม่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นลอยๆเนี่ยนะนั่นคือด้านของทิฏฐิในรายละเอียดในตัวทิฏฐิเนี่ยเขาขยายเยอะถ้านในพรมรารสูตรขยายไปหกสิบสองในรายละเอียดนี่เยอะเลยเรื่องทิฏฐิเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปยานนะความรู้การาอย่างรู้เป็นเป็นไวโพ์ของปัญญามักใช้ความหมายจำเพาะนั้นปัญญาที่ทํางานออกดอกออกผลเป็นเรื่องๆ เ, เช่น กรมรมสักตาปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่อย่างรู้ภาวะที่ศาสตร์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนหรือเรียกว่ากรรมสักตาสมาธิถี่ก็ได้ตัวสมาธิถี่ที่เข้าไปรู้ในเรื่องกรรมไปฉลาดในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเข้าใจกระบวนการของเหตุและผลชัดเจนเลยนี่เป็นกรรมสักตาสมาธิถี่คือกรรมสักตาปัญญาเป็นต้นนี่ยตรงนี้เนี่มีเป็นปัญญาส่วนอีกอย่างหนึ่งเรียกอตีตังสยานะ หรืออติตังสยานปีชาที่รู้ส่วนอดีตสัจจานุโรมิกยานก็อย่างรู้สอดคล้องตามแนวของสัจจสี่สัจจานุโรมิจยานเนี่ยคือญาณปัญญาที่ไปสอดคล้องตามแนวของทุกขตามแนวของเหตุให้เกิดทุกตามแนวของความดับทุกขตามแนวของข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกส่วนฐานาฐานญาณก็คือปีชาที่ยังรู้การที่เป็นไปได้และการที่เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นรู้จากฐานะและอาฐานะ อายกตัวอย่างเช่นยังไงฐ า, า, า, านาฐานยาณเนี่ยเช่นไปอย่างรู้บอกว่าปุถุชนเนี่ยเป็นไปได้ที่จะทาํามาทุกค่าเป็นไปได้ที่ปุถุชนจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระเจ้าหอบพระโลหิตแล้วก็ทําสงให้แตกจากกันแต่เป็นไปไม่ได้ที่พระโสดาบันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําร้ายพระเจ้าฆ่าพระอรหันต์หรือทําสงให้แตกจากกันเนี่ยไม่เป็นอัตานาอย่างเงี้ยฉั้นฐ า, า, า, านาฐานญาณเนี่ย นี่จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นานาธิมุตติกายานก็คือปิชาที่อย่างรู้อัธยาศัยแนวโน้มความเชื่อและความสนใจของสัตว์ทั้งหลายที่ต่างๆกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารู้อัธยาศัยของสัตว์ว่าสัตว์นี้มีอัธยาศัยซามหรือปราหนีดยัยงไงเป็นต้นกล่าวด้วยยานก็คือความรู้บริสุทธิ์ที่ผุดผ่องโพรงสว่างแจ้งแจ้งขึ้นมาเนี่ยมองเห็นสภาวะของสิ่งนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆตามความเป็นจริงไปเลยเนี่ยทีนี้ แม้ยานจะมีหลายระดับปัญญามีหลายระดับบางทีก็เป็นความรู้ที่ผิดบางทีก็เป็นรู้บางส่วนไม่สมบูรณ์แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์หรือความรู้ล้วนๆเพราะยังไม่มีความรู้สึกของตัวตนหรือความยึดถือแบบตัวตนเข้าไปจับเอ้ยปัญญาทั้งหลายเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการคิดตามแนวเหตุผลแต่ยานนะเป็นอิสระจากความคิดจากเหตุผลคือไม่ต้องขึ้นต่อความคิดเหตุผลแต่ออกไปสัมพันธ์ กับตัวสภาวะที่เป็นอยู่จริงข้อเนี้ยนับว่าเป็นลักษณะได้แตกต่างอย่างหนึ่งนะระหว่างทิ่ทีกับยานะหรือที่ทีกับปัญญาเนี่ยปัญญาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะรู้ไม่ไม่คุมก็ได้นะรู้บางส่วนก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเออปัญญาในรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยอาจจะรู้เพียงมุมใดมุมหนึ่งที่เป็นเหตุเป็นผลในส่วนของนี่สร้างเหตุอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนี้เนี่ย แต่อาจจะไม่ควบคุมไปจนถึงว่าไปรู้แจ้งแทงตลอดก็ได้เนี่ยนะนั้นปัญญาบางอย่างมันปัญญาจึงมีหลายระดับหลายระดับแต่มันต่างตรงไหนต่างจากทิฏฐินะต่างจากทิฏฐิคือความรู้แบบทิฏฐิเนี่ยมันเข้ามาอิงความยึดถือและความคิดเหตุผลข้างในส่วนความรู้ที่เรียกว่าญาณ น, นะมันออกไปสัมผัสกับตัวสภาวะที่อยู่ข้างนอกโดยตรงมองออกตรงนี้ไหม คือความรู้แบบทิฏฐิมันเข้ามายิงความยึดถือและความคิดเหตุผลข้างในอายกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเราได้ฟังเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเราก็มาคิดคิดเข้าหาข้างในก็ไปสำคัญว่าเป็นว่าตนเองเข้าใจตนเองรู้ตนเองฉลาดตนเองไม่ฉลาดส่วนถ้าความรู้ที่เป็นไประยะยานะเนี่ยมันเข้าไปเียนวิจัยด้านนอกแล้วก็วิจัยตามสภาวะแล้วก็ไม่กลับไปยึดถือความรู้เป็นของเรา เข้าใจเหตุและผลตรงนั้นด้วยขั้นพื้นฐานสัญญาเป็นวัตถุ ด, ดิบของความรู้และความคิดต่างๆความรู้อีกสองประเภทก็คือทิฏฐิและยานะก็ต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยสัญญานี่แหละอทิฏฐิเกิดจากสัญญาอย่างไรนี่ท่านยกตัวอย่างนะมองเห็นได้ไม่ยากเมื่อกําหนดหมายหรือหมายรู้สิ่งต่างๆอย่างไรก็ชวนให้รงความเห็นสรุปเอาว่าเป็นอย่างนั้นและสัญญาที่กําหนดหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแม้ใช้ได้สําเร็จประโยชน์บางอย่างในการดําเนินชีวิตแต่ก็มักกลายเป็นเครื่องปิดกัน้นลึกเครื่องบังปิดกั้นไม่ให้เห็นความจริงด้านอื่นของสิ่งนั้นั้นดังนั้นเมื่อไข้ครควญวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยคนก็จะถูกสัญญาหลอกเอาสัญญาก็เลยมาปิดบังปัญญาเอาได้และชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ที่เป็นอยู่ก็จะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่ใช่น้อยงั้นทิฏฐิที่ผิดพลาดเนี่ย ก็เกิดขึ้นเพราะสัญญาที่ผิดใช้สัญญาไม่ถูกต้องบ้างตรงนี้ท่านยกบาลีมาว่าทิฏฐิที่เกิดจากสัญญาทิฏฐิแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งเกิดจากสัญญาถูกสัญญาตกแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นก็ดีสิ่งที่ได้ยินก็ดีสิ่งที่ได้รับทราบก็ดีในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่พาระอรหันต์อธิบายว่าทิฏฐิเนี่ยซึ่งสัญญาก่อให้เกิดขึ้นกาหนดขึ้นปรุงแต่งจัดแจงไว้ เพราเหตุที่ทิฐิมีสัญญาเป็นหัวหน้ามีสัญญาเป็นเจ้าการใหญ่แล้วก็ถือต่างจากสัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นดีๆย่อมไม่มีแก้ผ้ารหาร <_ pt> เข้าใจคํานี้ไหมอ้าวทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าสัญญาเนี่ยสัญญาคือความจําเมื่อเราจําในเรื่องอะไรแล้วเราก็จะเข้าใจในเรื่องนั้นว่าสิ่งนั้นยกตัว อ, อย่างเช่นว่ามีคนด่าเรา แล้วก็เลยปรุงแต่งสัญญาก็เลยมาปรุงแต่งให้เกิดความเห็นว่าไอ้คนคนนี้ด่าเราแล้วก็ปรุงแต่งต่อใช่ไหมมันไปเกิดร่วมกับตัำหามานะที่ถีปรุงแต่งต่อเลยแต่เนี้ยไอ้คนนี้ใช้ไม่ได้มันด่าเรามันไม่ใช่เพิ่งด่ามันคงต้องด่ามาเยอะปรุงต่อไหมอยากสัญญาทั้งหลายอะไรนี้ก็มาปรุงแต่งในสุดจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าคนคนนี้ใช้ไม่ได้ไปเลยทั้งๆที่เขาด่าเราครั้งเดียว สิ่งดีๆงามๆทั้งหลายปิดกั้นหมดเลยไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นได้เนี่ยลักษณะเนี้ยสัญญาเป็นบอกเกิดให้เกิดทิฏฐิเป็นเจ้าการใหญ่ทําให้ทิฏฐิเกิดขึ้นทิฏฐิก็เลยมีสัญญาเป็นหัวหน้ามีสัญญาเป็นเจ้าการใหญ่แล้วก็ถือต่างกันด้วยสัญญาในนั้ น, น, นเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นความเห็นแต่ลักษณะอย่างนี้ไม่มีแก่พาาระอรหันต์พาาระอรหันต์เนี่ยเวลามีใครไปด่าท่านปุ๊บเนี่ยนะ ท่านก็จะไม่เป็นอยู่แค่สัญญาท่านก็ยืดเป็นอยู่ด้วยปัญญาท่านก็จะมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นท่านสามารถย้อนอดีตว่าเออในอดีตนี่ท่านพู้นี้เคยทําสิ่งที่ดีและไม่ดีอะไรมาปัจจุบันเป็นอย่างนี้และในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงท่านเข้าใจเหตุผลตรงนั้นก็เลยไม่ยึดสัญญาก็เลยไม่ก่อเกิดที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทิฐิรวบรวมตัวหรือยึดถือเป็นอัตตาตัวตนตรงนั้นไม่มีแก้พราทารทั้งหลายใช่ไหมพอท่านมองสภาวธรน์ทั้งหลายตามที่มันเป็นมองเห็นไหมตรงเนี้ย นี่คือความต่างสัจจะที่แน่แท้ในโลกไม่ใช่จะมีต่างๆมากมายนอกจากสัญญาทาให้เห็นต่างๆกันไปยานก็เกิดอาศัยสัญญาเกิดขึ้นได้เนะนี่แน่โปรด ถ, ถูก บ, บาทสัญญาย่อมเกิดก่อนญาณนะคือปัญญาเกิดทีหลังเพราะสัญญาเกิดขึ้นยานจึงเกิดอันนี้ข้อความตรงเนี้ยบ่งบอกว่าสัญญาเนี่ยเป็นปใจใัจจัยเกิดปัญญาก็ได้อา้าวยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราจําข้อมูลใดๆไว้เยอะมีสุตตะแล้วก็จำจๆจๆจำจ ำ, จ ำ, จำไว้ใช่ไหมต่อมาสามารถจะดึงข้อมูลนั้นมาวิจัยแยกแยะเพื่อเห็นตามความเป็นจริงได้หรือไม่ได้แ ย, แยกแยะเหตุและผลเป็นต้นได้เนี่ยสัญญาเป็นปัจจัยเกิดปัญญาก็ได้สัญญาเป็นปัจจัยเกิ ด, ญญก ด, ญญกดทิฏฐิก็ได้อันนี้ก็ต้องมระมั ด, ม ด, มดระวังเพราะสัญญาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอน ญ, ญาสมานะ ก็แปลว่าเขาเข้าฝ่ายที่ไม่ดีก yeah> ็ได้ฝ่ายที่ดีก็ได้เขาสามารถไปเป็นพวกของโลภะโทสะโมหะก็ได้เอไปอยู่เกื้อหนุนอารภะอโทสะและปัญญาเป็นต้นก็ได้ก็ไปเกื้อหนุนศรัทธาสติริโอตปาเป็นต้นก็ได้เขาไปเกื้อหนุนให้กับความโลภความโกรธความหลงอิจฉาลิสิยาเป็นต้นก็ได้เขาจึงเรียกว่าเป็นอัญญสมมานะะเป็นอัญญสมมานะหรืออยู่ในกลุ่มของสัพพจิตตะ สาธารณะทั่วไปทั้งที่เป็นกุศลอกุศลวิบากนี่เป็นอย่างนี้แหละท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม้สักหน่อยจากนี้ไขความว่าท่านไม่ได้เห็นสัญญาในสิ่งที่เคยประกอบหรือสัญญาในสิ่งที่เคยถึงหรือสัญญาในลักษณะหรือสัญญาในเหตุหรือสัญญาในฐานะจากทีน่นี้จากความสงบภายในหรือจากการปฏิบัติหรือจากธรรมเทศนาท่านได้ญาณจากที่ไหนบุรุษ หนึ่งมองเห็นใบไม้ร่วงหล่นเกิดวิปัสสนาญาณแสงสว่างขึ้นมาไอตรงเนี้ยสัญญาที่เกี่ยวกับชีวิตและความทรงตัวอยู่ของสิ่งทั้งหลายเกี่ยวกับความแก่ความสุดทรมความร่วงหล่นความตายทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นเบื้องต้นของปัญญาที่จะสามารถไปเกิดเลิกไปเกิดความรู้ความเข้าใจทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นได้เห็นไหมนั้นสัญญาที่เราจําสิ่ ง, ต, งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้สามารถจะไปเกื้อกูลปัญญาก็ได้หรือไปทําให้ความเห็นมันผิดเพี้ยนเป็นต้นเหล่านี้ก็ได้ นี่ก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก็เออท่านยกตัวอย่างมาดีนะตรงนี้ปัญญาที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเหล่านั้นอย่างทั่วถึงทาให้เกิดญาณนะทาให้เกิดปัญญาไดนะ้แต่ตัวอย่างที่เกี่ยวกับโลกยายาิะญาณกับปัญญาเกี่ยวกับโลงท่านยอกอย่างในในนิวตันเนี่ยแต่นังเป็น เ, ออเป็นนท่วิทยาศาสตร์เนี่ย เห็นผลแอปเปิลตกลงมาเกิดความรู้สว่างจ้าเห็นกฎ ด, ดึงดูดของโลกให้ความรู้โพล่งขึ้นอย่างเงี้ยอาศัยอะไรอาศัยสัญญานี่แหละย่างมากเป็นเขาเช่นสัญญาที่เกี่ยวกับการล่วงล้นการเข้าหากัน ร, ระหว่างสิ่งต่างๆเกี่ยวกับช่องว่างเกี่ยวกับแรงเกี่ยวกับการดึงการเหนี่ยวการับการเคลื่อนที่การหลุดหนีการลอยเนี่ยเส้นตรงเส้น คดโค้งเป็นต้นเหล่าเนี้ยปัญญาที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเหล่าเนี้ยอย่างทั่วตลอดในด้านหนึ่งแล้วทําให้เกิดความอย่างรู้ได้ทีนี้ยานก็ทําให้เกิดทิฏฐิได้นะปัญญาที่ยังไม่เป็นโลกุตระปัญญาเนะี่ยตัวอย่างเช่นคัมภีเช่นพระพระกะพรมเนี่ยมียานสามารถระลึกได้ใช่ไหมอันนี้เป็นปัญญาเลยนะพระกะพรมนี่เป็นวิชาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าไปปราบเนี่ย ท่านสามารถระลึกได้จนมากเลยมีปัญญาที่สามารถระลึกอดีตได้อย่างเยอะแยะหมดเลยเออพอร ะ, ะลึกไประลึกมามันทำให้เกิดทิฐิขึ้นมาเลยสำคัญว่ายตนเองเป็นพระเจ้าเป็นผู้ดรรดานสรรพสิ่งพอร ะ, ะลึกเรื่องอดีตได้ไกลๆกๆก ๆ, ๆขึ้นมาหนักเข้าก็เริ่มคิดว่าเออเนี่ยเอออยากให้มีใครเกิดมาเกิดอยู่กับเราเนี่ยนักเข้าน้าเข้าก็มีพรมก็เกิดอยู่ เนี่ยพอมลึกที่ไรก็มาเกิดและลึกทีไรก็มาเกิดก็เลยสําคัญว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้คิดอะไรแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นเห็นไหมจากยานนะจากคุณวิเศษที่ตนเองได้เนี่และลึกไปและลึกมากับการเป็นเห็นผิดด้วยเนี่ยลักษณะอย่างนเนี้นะนี่พมหรือเกิดความอย่างรู้เนี่ยถ้าอย่างกรณีท่านยกนิวตันอีกพราะอย่างรู้แสงจะเกิดขึ้นต่อมาใช้ความรู้ ลัทธานนั้นนะมองดูสภาวะทั้งหลายก็เห็นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เห็นทุบ ป, ปุกปลงไปทุกกรณีมีแต่ติดหรือเครือบคลุมคุมบางแห่งบางจุดบางด้านเนะี่ยความรู้นั้นก็อาจจะต้องถูกยึดที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิระดับสูงก็เกิดจากการได้ยานปัญญาขึ้นมานี่แหละมองออกไหมบางครั้งเราคิดอะไรได้นะเข้าๆก็เลยไปยืนยงตายตัวว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบนี้หมดเนี่ยนี่อันนี้ก็ต้องไปๆมาก็เลยไปเข้าใจผ เออเนี่ยเป็นงี้ส่วนทิฏฐิก็เป็นเครื่องช่วยหนูนี่เกิดปัญญาได้ไหมทิฏฐิไม่น้อยเป็นความเป็นผลของความคิดและเป็นการยึดถือของปราดผู้มีปัญญามากและเป็นทิฏฐิที่มีเหตุผลมากดังนั้นถ้าไม่มีความยึดติดในทิฏฐินั้นอย่างเหนียวแน่นจนเกินไปและรู้จักสดับรู้จักมองรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาก็มีโอกาสที่จะเกิดญาณนนะ ให้ก้าวหน้าต่อไปและสามารถทําลายจุดที่ยังติดตันผ่านต่อไปได้อีกด้วยอันนี้ท่านยกตัวอย่างเมื่อเกิดทิฏฐิก็ดีญาณก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการกําหนดหมายหรือความรู้ตามทิฏฐิตามญาณนนัะ้นั่นก็เกิดเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาทิฏฐิและญาณนั้กก็ทําให้เกิดสัญญาซึ่งเป็นวัตถุ ด, ดิบของความรู้และความคิดสืบต่อไปตรงนี้ทั้ง ทิฏฐิก็มักพลอยทําให้เกิดสัญญาใหม่ที่ผิดพลาดสัญญาณะก็จะเกิดสัญญาที่ถูกต้องเป็นเป็นญาณที่เห็นไหมไอ้กรณีอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นต้องระมัดระวังว่าความรู้ของแต่และอย่างมันต้องมาตรวจสอบไห ม, ไมต้องตรวจสอบตรงนี้ท่านยกปัญญาสามระดับมา แ้วพูดถึงในเรื่องของจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาเหตุผลด้วยตนเองกับสุตตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียนการถ่ายทอดต่อกันมาแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติปึกขัดอบรมในตัวหลักการใหญ่ในที่นี้ก็พูดถึงในเรื่องของการฟังการซักถามการสืบค้นสาวนาปริพุชากการสนทนาการถกเถียงอภิปลายสากัะฉาการสังเกตดูเฝ้าดูการพินิษ ปัตสนะก็ได้นิชานะก็ได้การพิจารณาแยกคายถึงโยนิโสมณสิกาและโยนิโสอุปปกปริขาตรงนี้สับนี้ก็แปลว่าการช่างโดยเหตุผลตุระนาการการไต่ตองตรวจสอบทดสอบสอบสวนทดลองฟันฟั น, นแตวนี้แปลว่ามีวังสาวิจัยยะเนี่ยการเสพคุปฝึกหัดทำบ่อยๆทำไม่มากเขาเรียกอาเสวนภะาวนาและพระหุลิกาก็ได้หรือพระพระหุลิกรณะการทาบ่อยๆ การคิดการเล่าเรียนสดับฟังการปฏิบัติฝึกปรือก็เป็นการช่วยให้สัญญาทิฏฐิและญาณน่าเกิดขึ้นใหม่เกิดมีใหม่ขึ้นมาบ้างก้าวหน้าเพิ่มพูนขึ้นไปบ้างได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องขึ้นไปบ้างว่าจริงสุดตาก็คือความรู้ที่ได้เราเรียนสดับมาเนี่ยการคิดอะไรต่างๆก็ดีปัญญาที่รู้เข้าใจอย่างนี้ก็ดีเนี่ยเป็นความรู้แบบต่างๆที่อยู่ในตัวบุคคลแต่ความรู้ที่จะออกเป็นผลเป็นชิ้นเป็นอัน สรุปสำเร็จในตัวบุคคลก็คือความรู้สามระดับข้างต้นก็คือสัญญาทิฏฐิระยานะหรือสัญญาทิฏฐิระยานะก็คือเป็นผลข้างปลายของสุตตจินตและกับภาวนานั้นจากการฟังจากการคิดจากการลงมือฝึกเนี่ยนะลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรมเนี่ยไปไปมาก็จะทําให้เกิดสัญญาบ้างเกิดทิฏฐิบ้างเกิดยานะบ้าง บางคนยิ่งเรียนมากทิฐิยิ่งเยอะจำอะไรมามากโอ้โหเชื่อคนอยากไกลๆมาก็กลายเป็นตีบตันไงใช่ไหมบางคนก็เรียนมากสัญญามากออแต่เอาอะไรมาใช้ไม่ได้เลยได้สัญญาอย่างเดียวบางคนเรียนมากรู้มากก็ปัญญาเยอะอีกอรรอบรู้อะไรต่างๆแต่มันได้แค่ขั้นสุตตากบจินตะแต่ลงมือฝึกปรือทั้งหลายเนี่ยนะ ปฏิบัติบาเพ็ญไม่ก่อยเกิดเหมือนคนบางคนโอ้โหรู้เนี่ยตอนนี้พายุจะมาไม่มายนะัางไงบังทีช่วงช่วงเนี้ยจะเกิดเนี่ยถ้าเมฆมันตั้งขึ้นมาอย่างนี้แปลว่ามันจะก่อเขาขึ้นมาแต่รู้รายละเอียดเบบเสร็จพอพายุมาจริงๆว่ายน้ำไม่ได้ตายเลยอย่างี้ใช่ไหมเคยได้ยินไหมที่วอกโอโ้เรียนจบด็อกเตอร์มาจะต่างประเทศนี่เข้ามาก็อะไรนะ ข้า ม, ม่น้ำไอ้เจ้านี้ก็ไม่เคยได้เรียนอะไรกับเขาและอยู่กันน้ำนี่แหละพายเรือข้ามฟากไอ้แม่น้ำํำใหญ่ๆกว้างๆทะเลนี่แหละพายทุกทุกวันแตถามว่าลงุงรู้จกักความเปลี่ยนแปลงรู้จักภาวะอากาศอย่างนี้ไม่รู้จกักพายุไม่รู้จกักฝนจะตกเป็นยังไงไม่ถามบอกไม่รู้โอ้แย่ใช้ไม่ได้เลยลุงนี่ยว่างั้นก็ <c oughs> คุยกันไปเรื่อยๆเล พอเกิดทองฟ้าแดงๆขึ้นมาเออนี่พายุมันไอ้ทั้งตะลุงโง่นี่พายุมันจะมาแล้วโอ้โหอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะเข้าฝั่งทัานต้อ ง, งบอกคุณว่ายน้ำเป็นไหมไม่เป็นที่แย่ไหมอย่างเี้เรียบร้อยเลย <laughs> อจำแนกกิจกรรมและผลงานของมนุษย์อด้านสุตตะสุติด้านทิฏฐิด้านยา น, นะ <laughs> สามอย่างเนย <laughs> ความรู้ในระดับในการสับ การสดับนี่เนะี่ยบอกเล่าสอนเรียนถ่ายทอดกันมาโดยทั่วไปเรียกว่าสุตตะเออในทางพุทธศาสตร์นาถือว่าสําคัญไหมสุตตะเนี่ยบางทีได้สุตตะแต่ไม่ได้สุตตามยาปัญญาเนี่ยะนั้นสุตตะเป็นแหล่งความรู้ที่สําคัญมากถ้ามองในแง่ของการจะเป็นปัจจัยต่อการที่จะให้เจริญปัญญาได้แล้วโห อ, อย่างดีเลยท่านจัดเข้าในไหนปารโตโคสะปารโตโคสะมีสองส่วนนะ ปัจจัยภายนอกจากการการฟังการเรียนการศึกษามานี่ก็ ป, ปรัโตโคสักทีนี้บางคนก็มีปรัโตโอโคสักที่ดีบางคนก็มีปรัโตโอโคสักที่ไม่ดีใช่ไหมบางคนไปได้รับแหล่งข้อมูลความรู้ที่ดีมาโอ้โหเกื้อกูลต่อปัญญาไหมแต่บางคนได้รับข้อมูลที่ไม่ดีเช่นเอาไปอยู่กับกลุ่มโจรกลุ่มผู้ร้ายทั้งหลายอะไรเนี้ยนะอ่าพวกไ อ, อ้ก่ อ, อการร้ายทั้งหลายเะไรเนี้ยมันก็คุยกันในเรื่องพวกนี้แหละ วิชาวความรู้ที่ไปรับมาก็จะรับแต่เรื่องต่างๆ ต, งตรงนี้ฉะนั้นเอกปรโตโอคศาตรที่ไม่ดีมันก็เกื้อกูล โ, โหบาปอกุศลอะไรเยอะปัญญามันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเป็นไปในทางที่ดีมันก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิฐินั้นการเรียนการสอนข่าวสารความรู้ตำระบตำลาและก็ตํานานทั้งหลายก็เป็นสุดตัในพระสูตรทั้งหลายในพระไตรปิฎกก็เป็นสุดตัทุกสูตรก็ตามไปด้วยเอวเมสุตัง ก็คือเป็นข้อมูลทั้งนั้นน่ะนะสุดตังก็คือสุดตาสุดตาก็คือสุตินี่แหละก็คือความรู้ที่ได้สดับตรับฟังมานี่สำคัญหรือไม่สาคัญอภรรการต่อมาความรู้ที่บางศาสนาถือว่ารับการเปิดเผยแจ้งโดยจากองค์เทพเช่นพรมถือว่าพระเวทเป็นความรู้ที่รับถ่ายทอดจากพระพรมโดยตรงความรู้ในข้อนี้จะเชื่อเป็ น, เ, ปนเพียงสุติ ซึ่งตรงกับคำว่าสันสกิจว่าสรุรตินี่แหละแต่ในทางพุทธศาสนาไม่ถือเป็นความรู้พิเศษต่างหากออกไปจึงรวมเข้าในประเภทสุตตะเหมือนกันเรียกว่าสุตตะสุตติก็มีก็มีค่าทางปัญญาไม่ต่างกันแตกตา่างที่เนื้อหาสาระมองเห็นนะว่าจริงๆอ่ะข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์รู้ และเป็นความรู้ที่มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงก็ว่ากันอีกทีทิฏฐินี่เป็นทฤษฎีลัทธิเป็นความเชื่อเป็นความเห็นความรู้ที่ได้ลงข้อสรุปให้แก่ตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นทิฏฐินี่แปลว่าลงหรือยังสรุปเป็นความเห็นเป็นความเชื่อหรือยังเป็นไม่เป็นเป็นลัทธิเป็นความเชื่อและประกอบกับความยึดถือผูกพันกับตัวตนเรียบร้อยไปแล้วมีลักษณะการที่ก่อให้เกิดการถือแบ่งเป็นของเราของเขาเป็นต้น แต่ถ้าจัดเข้าในชุดนี้พอมองเห็นในแง่ทางสังคมในฐานะกิจกรรมและผลงานของมนุษย์เนี่ยนทิฏฐินี่เราก็จะเห็นเยอะนะการยึดถือมีการรวมหมู่รวมกลุ่มแล้วก็พอมีทิฏฐิอย่างนี้กันขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็น ก, ก็เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสนาํานักเป็นอะไรต่างๆว่ากันไปตรงกับภาษาสันสกฤตว่าทฤษฎีเป็นไวโพ์กันนะ <c oughs> ขันติ นันีกันเดียวกันนี่แหละรุดจิตรุดจิข้อที่ถูกใจหลักการที่ชื่นชอบลัทธิข้อเป็นหลักการความเชื่อข้อปฏิบัติที่คิดขึ้นถือเป็นการได้รับผลรวมทั้งความเชื่อทางลัทธิทางการเมืองทางศาสนาเป็นหมดเลยทิฐิมีเยอะัหมได้มากเราเรียนเรียนกันก็จะได้ตรงนี้ศึกษาอะไรกันก็ได้ทิฐิเนี่ย่ความรู้ในยันนะ ญาณะก็ความรู้การอย่างรู้ความบริสุทธิ์ความรู้ตรงตามสภาวะเป็นปัญญาที่ทํางานออกผลเป็นเรื่องๆมองเห็นตลอดสายในด้านหนึ่งๆญาณะก็เป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญาของมนุษย์เป็นผลสําเร็จความสําคัญของมนุษย์ญาณะไม่ว่าจะเป็นโลกยายาียญาณและโลกุตระยานเนี่ยเป็นส่วนผักดันสําคัญให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอารยธรรมของมนุษย์ญาณที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเรียกโพธิหรือโพธิญาณก็แปลกันว่าการตัดสู้ ของพระพุธทธญาพุทธญาขรงแผนตลอดสัมมาสัมปวีญานก็ทําให้เกิดพุทธศาสนาเป็นดวงตาใหญ่ของสัตวโลกทั้งหลายนี่เห็นชัดนะอันนี้เป็นญาณเขาเรียกโพธิญาณอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่พวกเราทั้งหลายก็ปรารถนาอยากจะได้ญาณตรงนี้ให้เกิดให้มีขึ้นนี่นะนอกจากนี้ก็จะมีการจําแนกความรู้เยอะอิติหัสะอนุสวะอิติ อิติกีระปรำปราความรู้ที่ได้จากบานบอกต่อๆฟังกันมาเล่าเรียนกันมาถ่ายทอดสืบกันมาเนี่ยพิตกาิตรกะสัมปทาความรู้ตามแบบแผนธรรมาตรกะนยะอากาอ า, าราปริวิตตกะความรู้ที่ได้จากการคิดหาเหตุผลตรกะอนุมานการตริตองตามแนวเหตุผลนิชามะคันนักขันติก็คือความรู้ที่พิจารณาสมกับ หรือยอมรับเข้ามาเป็นทิฏฐิหรือเป็นทฤษฎีของตนโอ้นี่ชัดแล้วย่างลงจนไม่ถอนเลยนะอันนี้ก็สมยปิญญารือสักขิธรรมะความรู้ที่ได้รู้แจ้งชัดประจักษ์กับตัวเป็นอัตตาประจักษ์ขยายความรู้ความรู้ที่ได้เห็นจริงได้รู้จริงได้ชั่งเหตุผลตรตรองทำให้แจ่มชัดปรากฏขึ้นมาแล้วนี่เดก็หลายระดับที่จะเรียกกันออกไปทีนี้มาสรุป สองระดับเราเรียนมาแล้วทัดั้งด้านของพระวิธรรมก็เรียนสัจจะสองสมมุติสัจจะกับปรมาทาสัจจะได้เรียนนียังได้เรียนเลยแยกให้ออกน ะ, ะสองส่วนเนี่ยอันนี้สำคัญก็คือความในพุทธศาสนาเนี่ยท่านต้องการที่จะแยกแยะระหว่างสองส่วนเนี่ยนะคือให้พิจารณา ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างหนึ่งและให้เข้าใจในเรื่องของสมมุติอย่างหนึ่งการดําเนินชีวิตมันจะได้รู้จักถูกต้องความรู้ระดับไหนเป็นสมมติสัจจะความรู้ระดับไหนเป็นปรมัตสัจจะเออพระุทธเจ้านี่ตัสรู้อะไรก่อนในสัจจะสองเนี่ยพระเจ้าตัสรู้ปรมัตสัจจะก่อนนะตัสรู้ตามความเป็นจริงแล้วแล้วก็พรุทธเจ้าก็มาตั้งสมมุติตั้งกฎสมมติที่หลังใช่ไหม เพื่เจ้าตรตรัสรู้ธรรมะก่อนธรรมะนี่เป็นปเป็นความจริงสรรันวินัยนี่เป็นสมมุติเอาทีนี้คำพีฝ่ายพิธามท่านก็พูดถึงสองระดับเช่นสมมุติทสัจจ์ความจริงโดยสมมุติอันนี้ก็เลยโวหารและสัจจ์ก็ได้จริงโดยโวหารนี่แหละโดยสํานวนพูดโดยมติร่วมกันข้อตกลงร่วมกัน ตามที่ได้ตกลงกันไว้หมายรู้ร่วมกันเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สาเร็จประโยชน์ในชีวิตประจำวันการบัญญัติเรื่องคนสัตว์คนดีคนชั่วโตเก้าอี้หนังสือเนี่ยตัวอย่างได้เทียบเคียงได้เช่นภาษาสามัญคำพูดที่ได้สื่อกันได้เป็นต้นอันนี้เรื่องสัตว์บุคคลสิ่งของเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการสื่อกันโอ้ในรายละเอียดเยอะเลยเรื่องสมมติสัจจะเนี่ยพอสมมติกันเอาสองคนไปอยู่ร่วมกัน แต่งงานกันอีกคนนึงเป็นสามีอีกคนหนึ่งเป็นภรรยาเป็นสมมุติไหมเป็นสมมุติเนี่ยพอเป็นสมมตุติตรงนี้แล้วก็มีหลักในการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมมุตินั้น <c oughs> เ อ, อเนี่ยแต่พอมีกระแสชีวิตมาถือปฏิสนธิในขนันมีการคลอดออกมาก็สมมุติเรียกว่าลูกนี่เรียกกันว่าลูกจริงๆก็มาจากกรรมของเขานเนี่ยเนี่ย พอมาสัมพันธ์กับเราขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเราก็ยึดถือพอบอกเป็นลูกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กันแล้วยึดถือจนกลายเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นของของเราจริงๆจังๆขึ้นมาเลยอันนี้เลยสมมุติไหมในโลกใบนี้โดยมากมันจะเลยแบบนี้แหละเนมันก็ไม่เนี่ยท่านแต่นี้ก็แยกให้ออกระหว่างสมมุติสัจจะส่วนปรมัตถสัจจะในความจริงโดยปรมัตจริงตามความหมายตามสภาวะสูงสุดความจริงอย่างแท้จริง เออตามความหมายที่แท้ขั้นสุดท้ายที่ตรงตามสภาวะเท่าที่จะพอกล่าวได้ก็คือความรู้ความเข้าใจเท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยรู้จักที่จะพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วอย่างรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงนี่แหละเมื่ออย่างรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกมีเจตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งเบาเบิกบานและความสุขที่แท้จริง นันสิ่งที่เป็นปรมัตย์ก็ในส่วนของรู ป, ปรธรรมและก็นามรธรรมานามรธรรมก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตเจตสิกเนี่ยส่วนรู ป, ปรธรรมก็คือรูปนั่นแหละแล้วก็มีนิพพานด้วยภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเหล่านี้กลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นหลักในเรื่องของปรมัตย์เป็นสภาวะความเป็นจริงเลยนั้นถ้าเราแยก2 ส, ส่วนนี้ได้เสียเราก็จะไม่หลงสมมุติแล้ว แต่คนโดยทั่วๆไปก็จะแยกกันไม่ออกใช่ไหมผลก็คือว่าเราไม่ถูกสอนให้แยกแยะในเรื่องนี้ให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก็เลยมองไม่ออกว่าที่จริงในโลกใบ น, นี้มันมี2 ส, ส่วนส่วนที่เป็นสมมุติกับส่วนที่เป็นสภาวะสภาวะสัจจจริงโดยสภาวะเช่นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมสภาวะของสภาพจิตใจที่เป็นกุศลอกุศล สภาวะของเวทนาสัญญาสังขารปัญญานเนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะตามความเป็นจริงอันนี้ไม่ใช่ไม่ขึ้นตรงตรอ่อสมมุติแล้วมันเป็นจริงๆเช่นดีใจเสียใจเนี่ยขึ้นตรงกับสมมุติไหมความเย็นความร้อนเนี่ยเป็นความจริงไหมเป็นความจริงเลยไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแล้วมันเป็นจริงจริงมันอย่างนั้นเลยเย็นร้อนเนี่ยแข็งอ่อนเนี่ยนะไหวตึงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นทีนี้มันเกี่ยวพันกันนลยสมมุติสจารและปัมัสติสจารเนี่ย ระบบออกมาเป็นบรรยัติในคำสอนเนี่ยนะดูพระสูตรนี่แน่มารท่านจงมีท่านจะมีความเห็นยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้อย่างไรในสภาวะที่เป็นเพียงกองแห่งสังขารล้วนๆที่หาสัตว์ไม่ได้เลยเปรียบเสมือนว่าเมื่อคุ้มส่วนประกอบเข้าด้วยกันสับว่ารถย่อมมีแม้ชันใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่สมมุติว่าสัตว์ก็ย่อมมีฉันนั้น เอาละสิทีนี้ามองอย่างนี้ไม่มีแล้วสัตว์ก็ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีบุคคลไม่มีชื่อทั้งหลายที่บัญญัติกันมันไม่มีมันมาคมส่วนต่างๆเอารูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังประชุมเป็นไปกันอยู่ตราบใดคําว่าสัตว์บุคคลมันก็มีตราบนั้นใช่ไหมยิงไม่ยิงแต่ถ้าแยกส่วนประกอบ เอาลองแยกออกทีละชิ้นละชิ้นเนี่ยหาคำว่าสัตว์บุคคลมีไหมมีไม่มีก็เหมือนรถนี่แหละลองไปแยกส่วนประกอบแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นออกมาแต่คำว่ารถไม่มีแล้วแยกล้อออกมาแยกเพลาออกมาแยกกระโปรงมาแยกพวงมาลัยออกมาแยกตัวถังออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นต้องแยกแยกๆไงไม่มีคำว่ารถหรอกแต่พอเอาไปประกอบกันขึ้นมาเบเสร็จรวมกันเลยเรียกว่ารถ ไอ้ส่วนของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจพอไปไประชมกันเนี่ยไปรวมส่วนต่างๆรวมกันได้การจึงเรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์เรียกว่าหญิงเรียกว่าชายเข้าใจนะอตรงนี้ผ้าฐานขีนาศพจึงจะพึงกล่าวว่าฉันพูดดังนี้เขาพูดกับฉันน่ดังนี้ก็ดีเธอเป็นผู้ฉลาดรู้ถ้อยคำที่เขาพูดกันในโลกก็พึงกล่าวไปตามวโหารเท่านั้น อันนี้เป็นโล ก, กสัมมัญญาเป็นโลกนิรุตติเป็นโล ก, กัลวารเป็นโล ก, ก, บ, โโล ก, ก บ, บัญญตัติซึ่งตถาคตใช้พูดแต่ไม่ยึดติดใช่ไหมเวลาเราไปพูดกันในเรื่องของสมมุติกันทั้งหลายเหล่านี้เขาใช้ไว้เพื่ออะไรสื่อสารกันไว้สื่อสารกันให้ถูกเอาไว้สื่อสารเอาไว้พูดมันจะได้สามารถสื่อกันได้ปฏิบัติกันได้ถูกแต่เขาไว้ยึดติดหรือเปล่าเพราะเขาเข้าใจว่ามันจริงหรือไม่จริงมันไม่มีอยู่จริง โอ้ผมเรียนรู้เรื่องนี้ทำให้ฉลาดขึ้นเยอะ้หม้าเป็นห่วงคนนี้เ็ายืดติดไหมพ้่ไม่ต้องห่วงเขาหรอกเอาตัวเองบางคนอยากจะช่วยคนอื่นอยู่เรื่อยเลยยังไม่แข็งแรงเลยในพระธรรมาจารย์ท่านก็พูดถึงเรื่องสุตตันตปิฎกว่าเป็นวัวหานเทศนานะ นี่ความสมมาตรพูดในเรื่องของสมมุติส่วนภาพวิถีธรมก็เป็นปรมตาเทศนาเป็นส่วนของปรมาอ้าวแล้วแต่นี้ดูวิปปาราตวิปรารามีสามอย่างได้เรียนนี่ยังวิปปาราตปอมเคยเรียนยังฮะไม่ได้เคยเรียนนี่ยังเรื่องวิปราราวิปราร้ตแปลความรู้ที่คาดเคลื่อนความรู้ที่ผันแปรผิดแปลกจากความเป็นจริง ความรู้ที่คลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนขั้นพื้นฐานที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นปัจจัยทำให้หลงผิดดันการลวงตัวเองวางใจวางท่าทีประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อโลกต่อชีวิตต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเครื่องกีดกั้นขัดขวางบังตาไม่ให้มองเห็นสัจจะสภาวะเป็นวิปปราตเลยนะ 1. สัญญาวิปปราตเนี่ยสัญญาที่คลาดเคลื่อนความรู้ผิด ความรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริงสัญญาก็คือความจำานี่ยเลยนะความจำที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงจิตตวิปรารความจิตจิตคลาดเคลื่อนก็คือความคิดผิดความคิดผิดจากความเป็นจริงทิฏฐิวิปรารก็คือทิฏฐิคลาดเคลื่อนความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริงอายกตัวอย่าง ในสัญญาวิปราชเนี่ยก็หมายรู้คาดเคลื่อนเช่นตรงนี้เขายกตัวอย่างว่าตกใจเห็นเชือกเป็นงูเนี่ยกระบวนการกากวางบางทีเขาก็ไปตามทุ่งนาก็จะเห็นเขาจะเอาพวกฟางอานะไรเนี่ยมาทำเป็นคนแล้วก็เอาเสื้อไปคลุมเข้าไว้มันเลยเห็นเป็นคนเป้านา คนหลงทางเห็นทิศเหนือเป็นทิศใต้เห็นทิศใต้เป็นทิศเหนือเห็นแสงสว่างไฟโฆษณาพริบๆๆพอเป็นไฟวิ่งเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เ้าเรียกว่าอะไรสัญญาวิปราชจิตตาวิปราชก็เช่นคนบ้าคิดเอาเอาหญ้าเป็นอาหารก็อย่างเจ้าเมธนี่ถือว่าจิตตาวิปราชด้ยังเป็นนี่ยังเป็นนีอยัง กิตวิปราต์นี่ยังฝันเฟื่อนนี่ยัยงเจ้าคอนเนี่ยเป็นนี่ยังเ <c oughs> ด็กบอกเราอะ่ะทําไมระวังเป็นไหมไม่ระวังเป็นนะบอมอ่ะอย่างเจ้าเมฆเนี่ยเป็นนี้ยังเป็นแล้วก็ดูเขาแต่งตัวมันดูไม่รู้เลย อย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิตวิปลาสแล้วมันคาดเคลื่อนแล้วเขาเขาสำคัญผิดขนาดหนักเลยความคิดดูดินั่นแหละความคิดในลักษณะอย่างเงี้ยแปลว่ามันมันคาดเคลื่อนไปเรียบร้อยไปแล้วบางทีนี่มันยังไปในทางที่ดีนะ จิตตะ ว, วิปราในที่นี้ท่านยกนึงกระตายเนี่ยกระตายตื่นตูจิตวิปรารานึกว่าอะไรแล้กวก็แผ่นดินถล่มไม่ได้พิจารณาเหตุผลนี้ดีองไรไปเลยท่านนี่เลยต้องระวังไงพวกเราบางส่วนเป็นแล้วนะจิตจิต ว, วิป ร, รารเนี่ยเออบางทีมันเป็นเล็กๆลนน้อยแค่นั้นเองมันมันเข้าใจผิดเนี่ยมันจิตมันคลาดเคลื่อนความคิดมันคลาดเคลื่อน เป็นสำคัญผิดนะ อ, อย่างกระต่ายใช่ไหมมพนนอนอยู่ตายต้นตาลแล้วลูกตาลมันล่วงตูมมาใส่ใบตาลมันเข้าใจว่าฟ้าถล่มวิ่งพุดธตะโกนไปด้วยคอคนอื่นเสียหายไปด้วยอนะอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้เราบางทีเราก็ไปจินตนาการกล า, ายเป็นจิตมันคาดเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้วนี่ ต, ต้องทำความเข้าใจให้ดีเนะี่ย อย่าให้มันพลาดให้มองอะไรตามเหตุและตามผลให้เกิดความเข้าใจอยให้มันคาดเคลื่อนถ้ามันคิดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขึ้นมายุ่งหรือทิฏฐิวิปลาดความความเห็นคาดเคลื่อนสืบเนื่องมาจากสัญญาวิปลาดและจิตตาวิปลาดนี่แหละเมื่อหมายรู้ผิดก็จะเห็นผิดตามไปด้วยเมื่อคิดภาพคาดเคลื่อนไปอย่างไรมันก็พอยเห็นเชื่อถือความผิดพลาดเช่น เมื่อหมายรู้กรณีที่บอกว่าเห็นเชือกเป็นงูปุ๊บก็ลงความเห็นยึดว่าสถานที่บริเวณนั้นเนี่ยมันมีงูชุกชุมมันเห็นมไหมพอมันตั้งเรื่องผิดแล้วมันก็ปรุงแต่งว่าที่ตรงนี้จะต้องมีงูเยอะเพราะเมื่อกี้นั่งรถมาเห็นงูไอ้เวนเห็นเชือกเป็นงูอย่างเงี้มันก็เลยปรุงแต่งอะไรอีกเยอะมาไอ้ทิติวิปราชเนี่ยน่ากลัวมากมันเป็นวิปราทิชที่มายึดถืออ้าวอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า เราไปยึดถือว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันเราไม่ชอบใช่ั้ยแล้วมันจําคาดเคลื่อนแล้วนักเข้านเข้าก็คิดคาดเคลื่อนว่ามันไม่ดีกับเราเนี่ยนะนักเข้านเข้าสรุปความเห็นแล้วก็วางเป้าหมายแล้วฉันไม่กินเลนแล้วใครจะมาให้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเห็นรักนะมันปรุงแต่งมันจะกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเป็นทิฏฐิวิปลาสเรียบร้อยแล้ว นนในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยก็ต้องระวังอย่าให้ทิฏฐิวิปรารเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนาะไอวิปรารดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นวิปรารก็ได้ตัวอย่างที่กล่าวมานีเนนา้เป็นขั้นหยาบเป็นขั้นหยาบหยาบอาจเรียกภาษาพูดว่าความวิปรารขั้นวิปริตส่วนในทางธรรมะท่านหมายเอาความวิปรารละเอียดเป็นขั้นพื้นฐานความรู้ที่คาดเคลื่อนชนิดที่มีเฉพาะในบางกลุ่ม แต่มันมีในคนทั่วไปนะคนทั้งหมดมีหมดเลยอันนี้อันนี้เมื่อกี้พูดแบบหยาบๆด้วยคนทั่วๆไปถ้าเจาะไปในลึกๆเบ็ศเสร็จเนี่ยมีครบหมดเลยนี่นะสหรับคนทั่วๆไปนะกเรียกทั้งสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นไงจำว่าเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยง คิดว่าเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงใช่ไหมสัญญาวิปปราชิตตวิปปราชิที่ทีเวลาในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราไปเห็นน่นะว่าทั้งทั้งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยแต่เราไปจำว่ามันเป็นสุขใช่มทั้งทั้งที่มันเป็นทุกข์แต่เราไปคิดว่ามันเป็นสุข ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นทุกข์แต่เราเห็นว่ามันเป็นสุขอยกตัวอย่างเช่นเราเห็นว่าเราเห็นว่าการาพัดลมนี่นะพัดลมที่มันพัดตัวเราเองพัดมาหาถูกตัวเราปุ๊บเนี่ยออกมาถูกปุ๊บเนี้ยมันก็มีความรู้สึกยังไงชอบไหมอันนี้แปลว่าอะไร เราจําทั้งๆ ท, ที่มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไอ้ลมเอยมาพัดถูกต้องกายตลอดเวลาเนี่ยกายนี้เป็นทุกข์ไหมแล้วตัวพัดลมตัวรูปเวาาทนาสัญญาสังขารเนียไอ้ตัวตัวดินน้าฟไบลมที่เรียกว่าพัดลมสภาวะของจริงๆของมันเนี่ยมันเที่ยงไว้เนี่ยแล้วมันเบียดเบียน บ, บีบคั้นเกิดดับสืบต่อไม่คงอยู่ในสภาพเดิมไหมนั่นเป็นทุกข์ มันไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆหรอกแต่เราไปสํสสาคัญว่ามันสุกไงเนี่ยสาคัญว่าสุกจําว่ามันสุกคิดว่ามันสุกเห็นว่ามันสุกเราก็เลยทํามันอย่างนี้อย่างนี้เป็นตนน้นสัญญาวิปปราชจิตตวิปปราชที่ถิเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนสัญญาวิปปราชจิตตวิราชิตในสิ่งที่ไม่งามว่า ง, งามเนี่ยในวิปป ร, ราชอย่างเนี้ย เกิดขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็เป็นการกล่าววิปราชเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมเจริญปัญญาแล้วก็เป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมปัญญาที่จะกำจัดมันเสียการพัฒนาความรู้และเจริญปัญญาตามวิธีดังกล่าวนี้ช่วยแก้ไขบรรเทากำจัดวิปราชหรือวิปริษต์นนะไอ้ตรงนี้ก็ต้องขจัดมันให้ได้ ไปเกิดความเข้าใจทีนี้อายกดูพระสูตรที่เกี่ยวกับอาญาตนะภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงแก่พวกเธอซึ่งสัรพสิ่งสิ่งทั้งปวงนะครอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจงฟังจงใส่ใจอะไรเล่าคือสรรพสิ่งตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับปวดสะพ้าใจกับธรรมะลมอันนี้เรียกว่าสรรพสิ่งครอบหมดที่อย่างในโลกใบนี้มีแค่นี้ไหมมีมากไปกว่านี้ไหมมีแค่นี้เองแหละครบหมดแล้ว พระองค์ผู้เจริญเรียกว่าโลกโลกดังเนี้ยด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเรียกว่าโลกจึงบัญญัติเรียกว่าโลกพุทธเจ้าดูก่อนสมิธิที่ใดมีตามีรูปมีจักขุญญาณมีธรรมอํนพึงรู้ด้วยจักรุญญาณที่นั่นก็มีโลกหรือบัญญัติกันว่าโลกที่ใดมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีธรรมมลมีมโนวิญญาณมีสิ่งอันพึงรู้ได้เดยวกนวญญาณสิ่งนั้นก็เรียกว่าโลกหรือบัญญัติเรียกว่าโลกนี่ก็ไล่ไปเถอะ ที่ใดมีตามีรูปมีจักขูวิญญาณและธรรมะอันพึงรู้ด้วยจักขูวิญญาณที่นั่นก็เรียกว่าโลกบัญญัติเรียกว่าโลกที่ใดมีหูใช่ไหมแล้วก็มีเสียงมีโสตวิญญาณและธรรมอันพึงรู้ด้วยโสตวิญญาณที่นั่นก็พึงเรียกว่าโลกและบัญยทธ์เรียกว่าโลกเป็นต้นไล่ไปตามแบบเงีเ้ยเพอคำว่าโลกโลกโลกทั้งหลายคําบัญญัติทั้งหลายก็อาศัยตาอาศัยสีอาศัยจักขูวิญญาณ ทำที่พึงรู้ด้วยจักรุ ญ, ญาณทั้งหลายเป็นต้นนี้มันก็รู้แล้วอาศัยตาและรูปเกิดจักรุ ญ, ญาณการประชุมของธรรมสามการเนีเป็นภาษาเพราะภาษามันก็กระทบมันก็เข้าไปรู้ข้างนอกไหมเข้ไปรู้สีตาหูก็ไปรู้เสียงเนี่ยสรรพสิทธิก็เลยเรียกว่าโลกโล ก, โลกภายในโลกภายนอกก็บัญญัติกันเิกสูตรทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าที่สุดโลกเป็นเป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้ถึงได้ด้วยการไป แต่เราก็ไม่กล่าวเช่นกันว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดโลกจะทำความสิ้นทุกข์ได้พระนรนท์กล่าวบอกว่าข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยย่อยังไม่ได้ทรงแจกแจงเนื้อหาพิสดารข้าพเจ้าเข้าใจความพิสดารดังนี้บุคคลย่อม ส, สำคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกว่าเป็นโลกด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าโลกในอายะวินยัยดด้วยอะไรเล่าคนจึงสาคัญหมายในโลกว่าเป็นโลก ถือโลกว่าเป็นโลกด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจคนยิ่งสาคัญหมายในโลกว่าเป็นโลกถือโลกว่าเป็นโลกก็คือเนี่ยคนวนกันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสีเสียงกิริย์รสโปรตพาทำอารมณ์นี่แหละพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอุทัยพร้อมและความอาัสดงคือความดับแห่งโลกเธอจงฟังอุทัยก็คือการเกิดของโลกนี่นะอาศัยตาและโลกเกิดจากกุญญานการประจบทำสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาก็มีพัณนาเป็นปัจจัยอุปทานก็มีเพราะทานเป็นปัจจัยพบก็มีเพรเป็นปัจจัยชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยฉรามรณะโศกปริเทวทุกขโทมรณสัตอุปาญาตความเกิดขึ้นเหงาพร้อมและการอุทัยเกิดการเกิดขึ้นของโลกมไีได้ด้วยประการอย่างนี้แหละความดับของโลกเป็นยังไงอาศัยตาและลูกเกิดจากขุญยานการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแหละดับ ด้วยการละคายด้วยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับอุปาทานดับภพก็ดับภพดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับชะลามรณะโสกับริเทวทุกขโทมนาสาวาญายก็ดับความดับแห่งวัฏทุก์มีได้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยเนี่ยดูก่อนพิ่ารณานี่คือการอัดสดงหรือการดับไปแห่งโลกก็เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอาการอัดสดงดับของโลกก็คือการเกิดขึ้นของโลกการดับของโลกท่านพูดถึงแสดง ปฏิจจุลาสองสายสายสมุททยาวาละการเกิดกับนิโรธาวาละการดับพูดสองสายนี่โพในรายละเอียด er, ตรงนี้มีเยอะพรุทธเจ้าว่าเอ่อที่เรียกว่ามารมารที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ที่เรียกกันว่าทุกทุกด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงบัญญัติว่ามารจึงบัญญัติว่าสัตว์จึงบัญญัติว่าทุกก็นี่แหละ อาศัยตาลูบจักรุณญาณทำที่พึงรู้ได้จักรุณญาณจนล่ไปรดหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อาศัยใจธรรมารมณุ ญ, ญาณทำที่พึงรู้ด้มโน ญ, ญาณที่เรียกกันโวาหารเรียกว่ามารก็ได้บัญญัติกันเรียกว่าสัตว์บุคคลก็ได้เรียกว่าทุกย่อบัญญัติว่าทุกใช่ไหมแต่พระอรหันเนี่ยเออท่านก็มีนี่แหละตาหูจมูกลิ้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้แต่พระอรหันทั้งหลายย่อมไม่บัญญัติสุขและทุกเพราะท่านเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะ ตรง น, นี้ก็เลยมาแสดงจบลงโดยไตรลักเลยเนี่ยพิสูจ์ทั้งหลายตาหัวจมกูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหัวจมูกลิ้นกายใจเกิดกขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตาหัวจมูกลิ้นกายใจที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากเที่ยงจากสุขจากเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหน รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมารมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยเกิดรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมารมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมารมซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจักเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาได้แต ท, ที่นั้นนี่ก็ชัดท่านสรุปออกมาเนี่ยภิกษุทั้งหลายข้าวกล้างอกงามเจริญบริบูรณ์คนเฝ้าข้าวกล้าก็ประมาทเสียโคกินข้าวกล้าลงสู่ข้าวกล้้านน เมาเพลินประมาทเอาจนเต็มที่ชั้นใดพุทธชนผู้นี้ไม่ได้สดับไม่ได้เรียนรู้ไม่สังวรในภาษายัตนาหกย่อมเมาย่อมเพลิดเพลินย่อมประมาทในสีเสียงกิริย์รสผลิภัณฑ์จนเต็มที่ชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายภาษายัตนะ6เหล่านี้ที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้คุ้มครองไม่รักษาไม่สังวรก็เป็นเครื่องนําทุกมาให้ภาษายัตนะ6เหล่านี้ที่ฝึกดีแล้วคุ้มคลองรักษาดีแล้วสังวรก็เป็นเครื่องนําสุขมาเออท่านพูดยังไง ตาเป็นเครื่องผูกรูปล่ามรูปไหมไหมรูปเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้หรือเปล่าหูเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับผลต่อใจกับธรรมอารมณ์เนี่ยธรรมอารมณ์เป็นเครื่องผูกล่ามใจไว้ดังนี้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นตาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเครื่องผูกล่ามรูปไว้รูปก็ไม่ได้ผูกเป็นเครื่องผูกล่ามตาไว้แต่อะไรชั้นราคาเนี่ยความชอบจิต ความติดใจไใ่กสันเดวนี้นะที่เกิดจากการอาศัยตาและรูปทั้งสองอย่างต่างหากเป็นเครื่องผูกล่ามตาและรูปนั้นๆนนใจก็ไม่ใช่เครื่องผูกล่ามธรรมอารมธรรมารมก็ไม่ใช่เป็นเครื่องผูกล่ามใจแต่ชั้นราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นต่างหากเป็นเครื่องผูกใจและธรรมอารมณ์ก็ไวเออแต่นี้เวลาเรา ในในชีวิตความเป็นจริงตรงนี้ท่านต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อว่าเวลาเราไปเห็นอะไรแล้วเนี่ยที่เราชอบใจแล้วไม่ชอบใจเนี่ยใช่ตากับรูปมันไปผูกกันไว้หรือเปล่าหูกับเสียงมันไปผูกกันไว้ไหมจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับผดผลาศ์ใจกับธรรมอารมณ์ไปผูกกันไว้หรือเปล่าอะไรเป็นเครื่องผูกเออฉันตราคาความติดใจเนี่ยความ ความชอบใจจนติดนี่แหละเป็นเครื่องผูกเอาก็ลองคิดดูที่ว่าเออถ้าเราตัดพวกฉันทราคาได้เนี่ยเราจะมีความสุขไหมเราก็ไม่ต้องไปกลัวพันอะไรอีกเราจะกล้าเดินจากทุกอย่างได้ไหมกล้าไปทุกวันนี้เราไปได้ไหมมันตัวฉันทราค้านี่แหละความติดใจใยกสรสันนี่แหละใช่ไหมมันเป็นเครื่องผูกทาให้เรา ติดมันอยู่นี่แหละออกไม่ได้วนๆอยู่ไหมเหมือนเราไปทำงานออกจากที่ออกจากบ้านไปที่ทำงานพอทำงานเสร็จก็กลับเข้าบ้านไหมผูกแล้วตาหวจมกูกเล่นกายใจสีเสียงกินรสปวดตาผ้าและทำอารมณ์เป็นเครื่องผูกกันหรือเปล่ามันไม่เป็นถ้ามันผูกกันเนี้ยการประพฤติพรหมจรรย์ให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ปลดผ่องมันจะมีได้ยังไง แต่เพราะไอตัวฉันธราคะนี่แหละมันเป็นตัวผูกอีกทีนึงแต่ถ้าใครสามารถละฉันทราคะได้เนี่ยความที่ไปติดใจฝ่กระสันตรงนี้ได้เนี่ยทําลายด้วยปัญญาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําลายเครื่องผูกการประพฤติพรหมจรรย์นันประเสริฐมันจึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้มันดีนะเออเนี่แหละมันจะได้เป็นบทฝึกให้กับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจให้มันชัดขึ้นใช่ไหม เราจะได้สามารถกําจัดไอ้ฉันตราคาความติดใจใยกระสันในการที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ที่รู้ได้ใจทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้มันจะได้ละได้เสทีใช่ไหมล่ะเพราะเรารู้แล้วมันมันไม่ได้ไปผูกกันแล้วแต่ไอ้ตัวฉันตราคาที่ความคิดผิดใส่ใจผิดความจําหมายผิดทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหากที่ไปเป็นเครื่องผูกถ้าไม่สัตว์เหล่านี้ต้องเร่าร้อนแล้วก็ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้อ๋อเราเข้าใจกระบวนการของอายตนะแล้วคือไอ้ตัวที่ต่อเนี่ย ไอ้ตัวเชื่อมต่อไอ้ตัวทําให้สังสารวัฏยืดยาวก็ได้ถ้ามีฉันทราคะคือความติดใจใป่กระสันในทวารตาตากระสีหูกระเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสผดภะกายกับผพภะใจกับธรรมารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้สิ่งที่ต้องใจคิดนึกทั้งหลายเหล่านี้มันมีเครื่องผูกอยู่ฉะนั้นเราต้องทําลายมันไอ้คือไอ้เครื่องผูกนี่แหละต้องใช้ปัญญาเข้าไปจัดการมันเสียต่อไปมันจะได้ไม่ต้องไปผูก หรือไปยึดติดใส น, น, นสิ่งเหล่านี้ ไ, ไปอะไรวอนกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมไปพวงหรือไปรุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้โอ้ยถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วแต่นี้ก็ชัดแล้วแต่นี้เน้นเข้าใจชัดหรือยั ง, ย า, ง <c oughs> ยากไหมเออต่นี้พอฟังให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนต่อไปก็คือการเอามาไข้ครวนใช่เอามาพิจารณาแยกแยะมณสิการ อาตรงไหนที่คิดว่ามันยากระดับความเข้าใจา ย, ยากไหมไม่ยากแล้วเนะชีวิตคืออะไรรู้เรียองแตเนี่ยรู้กระบวนการชีวิตนะชีวิตคือขันห้ากับชีวิตคืออายตนะใช่ไหมเออมันทําถ้ามองถึงด้านขันห้าก็เป็นการแยกส่วนองค์ประกอบพวกพวกถ้ามองด้านอายตนะดูการเชื่อมต่อดูการสืบต่อใช่ไหมดูการขยายขยายทุกข้องเขาเนี่ย ขยายสังสารและทุกข์ของเขาเนี่ยตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจสีเสียงกินรสปวดกระพะและทำอารมณ์อายตนะภายในภายนอกเนี่ยมันมันเป็นตัวสื่อทั้งเราจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็ได้ใช่ไหมใส่อุปกรณ์หรเหล่านี้อาศัยเกิดความมัวเมารุ่มหลงไม่ต้องพูดแล้วมันทํากันมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยหลักการเป็นแบบนี้เขาก็พูดถึงในเรื่องการว่าไม่ให้เป็นสยบหมกมุนม่นมวัวเมาทั้งหลายนั้นก็พอมาต่อไปก็เป็นการสรุปในรายละเอียดก็ไม่มีอะไร มากมายแต่ให้รู้เข้าใจตรงนี้ว่าเนี่ยมีแค่เนี้ยถ้าเข้าใจกระบวนการของขันห้าเข้าใจกระบวนการของอายตนะเสียก็จะเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของชีวิตจะชัดขึ้นเนาะเข้าใจชัดขึ้นที่จริงตรงนี้ก็ต้องมาทําการทําความเข้าใจหลักการให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดขันห้าอายตนะนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนะก็คือสามารถเอาปัญญาไปวิจัยแยกแยะเพื่อได้เห็น สิ่งที่จะตามมาทั้งหลายก็คือเมื่ออาจัตนาเชื่อมต่อกันแล้วมันเป็นเหตุการทำกรรมนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอมองเห็นเนาะเอาเดี๋ยวตอนเช้าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายว่ากันอีกที